สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่4ของกฎทองคำข้อที่8ก็คือกฎของผู้รับใช้พี่น้องครับกฎข้อที่4หรือประเด็นที่4ของกฎทองคำนี้เรารู้อยู่หนังครับว่าเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีครับ ก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่4ครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะของท่านก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้จักเสียงของท่านการเดินอยู่ข้างหน้าเป็นแบบอย่างของฝูงแกะนั้นเป็นลักษณะของผู้นำครับผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะไม่เดินอยู่ข้างหลังแกะแล้วถือแสตกนหรือถือไม้เท้าตะโกนสั่งให้ลูกแกะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เดินไปทางนูน้นเดินไปทางขวาเดินไปทางซ้าย เมื่อต้อนแกะออกมาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือองค์พระเยซูเจ้าของเรานั้นพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราครับในการที่จะเป็นผู้นบผู้นำนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างของฝูงแกะของเขาเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในขีศจทําหน้าที่เสมือนผู้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผู้นำในทุกๆระดับเราจะต้องมีการสร้างสาวกครับการสร้างสาวกนั้นเป็นไป ในระดับของคริสตจักรเป็นไปในระดับของการสร้างสาวกส่วนตัวก็ได้เราจะต้องเรียนแบบอย่างผู้เลี้ยงที่ดีครับพระธรรมหนึ่งเปยตัวบทที่5ข้อที่3ข้อที่4เขียนไว้ว่าไม่ใช่เหมือนเจ้านายที่ข่มขีผู้ที่อยู่ใต้อํานาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรี เป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นเหมือนเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อํานาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยพี่น้องครับการเดินอยู่ข้างหน้าเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะภาษาอังกฤษนั้นก็เรียกว่าเป็น role model role model ก็คือว่า เป็นโมเดลหรือเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนอื่นนั้นเดินตามหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะต้องถามว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมี role m o d e หรือไม่อย่างไรครับการเป็น role m o d e นั้นสําคัญมากในกิดจกักรแต่ละคิดจักรนั้นควรจะต้องมี role m o d e เป็นคนที่เรานั้นเรียนแบบเขาเรียนแบบท่าน เพราะว่าท่านนั้นเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อเป็นแบบอย่างของผู้นําเป็นแบบอย่างที่เป็นผู้ที่อยู่ในใจของเรานั่งอยู่กลางใจเราเลยครับพี่น้องครับนั่นเป็นแบบอย่างของคนแต่แบบอย่างที่ดีที่สุดที่นั่งอยู่กลางใจของเราลึกที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือพระองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับหลายหลายท่านทีเดียวเมื่อพูดถึงโร l e model ก็จะร้งองยีครับทำไมถึงร้องยีครับเพราะว่าเคย มีบางคนซึ่งเป็นโรโมเดลตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วหรือมีบางคนก็ผิดหวังกับโรโมเดลตอนนี้ก็ถอดท้อถอยถด ถ, ถ, ถ, ถ, ถอยลงไปแล้วไม่ไม่มาโบสถแล้วก็เลยมีการสอนว่าอย่าดูคนให้ดูพระเจ้าจริงครับเราไม่ควรดูคนเพราะว่าคนนั้นอาจจะผิดพลาดได้คนนั้นอาจจะทำบาปได้คนนั้นอาจจะหลงไปได้ ลืมตัวไปได้พี่น้องครับ no. แต่ว่าพระเจ้านั้นเราต้องมองพระองค์แน่นอนอยู่แล้วครับเราต้องมองพระองค์ว่าพระองค์ไม่ผิดพลาดเพราะพระองค์ไม่ผิดพลาดนั่นแหละครับเพราะพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะพระองค์เสมอต้นเสมอปลายเพราะพระองค์นั้นเป็นความรักเพราะพระองค์นั้นเป็นทุกสิ่งของเราทั้งหลายและที่สําคัญพระองค์เป็นสหายเลิศประเสริฐของเราพี่น้องครับกฎการเป็นผู้นานั้นมีอยู่สข้อ นะครับผมอยากจะสรุปตั้งแต่ข้อที่หนึ่งครับคือคนที่จะเป็นผู้นำนั้นจะต้องเป็นทาตสมัครเป็นความสมัครใจเป็นอาสาสมัครมีจิตอาสาในการที่จะรับใช้คนอื่นถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาตสมัครของพวกท่าน อย่างที่บตรมนุษย์มาไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะมดปฎิบัติเขาและประธานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไทยของคนเป็นอันมากพิจารับการปฎิบัติการสมัครใจการเป็นท่าสมัครการเม็จิตอาสาจะต้องนำตัวเองไปถึงการที่เราจะยอมอุทิศชีวิตการถวายชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าการถวายชีวิตอุทิศชีวิตให้ชีวิตให้กับคนอื่น เหมือนดังที่พระเยซูนั้นเป็นโรมโมเดลของเราประการที่2ครับการที่จะเป็นผู้นํานั้นเราจะต้องให้พระเจ้าทรงนําเราก่อนแล้วนําคนอื่นต่อครับให้พระเจ้านําเราก่อนแล้วเราค่อยไปนําคนอื่นต่อเพราะเจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าท่านหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ในพระธรรมอิสยาห์บอกว่า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 แล้วเราจึงจะไปนำคนอื่นต่อได้อย่างไรประการต่อไปครับก็คือว่าผู้ที่จะเป็นผู้รับใช้หรือผู้นำนั้นจะต้องจ่ายราคาจ่ายราคาค่าทดแทนครับต้องนั่งลงคิดให้ดีซะก่อนว่าเราเสียอะไรแล้วเราจะได้อะไรพีร่น้องครับการที่เราได้ชีวิตนิรันด์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพวกเราในขณะเดีวยวกันครับการที่คนอื่น จะเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าและเขาจะได้รับชีวิตนิรันต์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาใช่ไหมครับถ้าใช่นั่นแสดงว่าเรากําลังจะต้องจ่ายราคาบางสิ่งบางอย่างที่สูงริ่วเพื่อที่ได้มาซึ่งสิ่งของที่มากที่สุดและมีค่าสูงที่สุดนั่นคือความคุ้มค่าของการนําวิญญาณประกาศเข่าประเสริฐครับเราจะต้องทําอย่างไร ที่จะประกาศข่าวบันเสิร์ตโดยการจ่ายค่าทดแทนไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆนะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราทําในส่วนของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทําในส่วนของพระองค์แล้วคนคนนั้นก็กลับใจเสียใหม่บางครั้งครับก็เป็นการจับกลับใจกระบวนการที่ง่ายแสนง่ายที่เราคิดไม่ถึงแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานมากในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น เราเองนั้นต้องทําหน้าที่ของเราก็คือประกาศและเราไม่รู้หรอกครับว่าพระเจ้าเลือกใครแต่ว่าเราจะต้องมีจิตใจในการประกาศมีจิตใจในการนําวิญญาณมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างประกาศสุดท้ายวันนี้ครับก็คือการเดินนําหน้าการเป็นผู้นํานั้นจะต้องเป็น role model พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็น role model เ, เมื่อชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่คนอื่นสามารถเรียนแบบได้ ทั้งความโฮลี่หรือความบริสุทธิ์ทั้งจิตใจที่ท่อมทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นบุคลิกลักษณะของผู้นำที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระเจ้าทรงโปรดนำพาเสริมกำลังพี่น้องรวมทั้งผมเองด้วยในการที่เราเองจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่อยู่ในพระทยขององค์พระเยซูคริสเป็นผู้นำที่พระองค์พอพระทยัย และจะเป็นผู้นำที่เกิดผลมากถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมน